มีปัาแล้วเพราะว่าผมเายมันสวยงามมากเาีงอธิบายอย่างแต่นัหาก็เปิดไม่ได้รู้จงไงเาจะต้องแค่ชีวทีชีูไปนกา่างาจะอกมาโอเคได้ โอเคอวันนี้เราพูดถึงเรื่องความวหวางของโบรเล็กด้วยไม่ได้แต่ว่าหลาที่ได้บรายมากอ่นได้ไโอเคพอสำคัญขใจใชครับโอเความวานของเสเียออเรื่องนี้เป็น Uh, จะมีวันอีฟใช่ไหมแล้ววันอ e ฟเป็นวันสาคัญมากสาหรับคนคริสต์เป็นวันสคานนสคัญเพราะว่าเราเราจะเห็นใจว่าทุกอย่างที่ใครสูบแล้วมันเป็นจริงเพราะว่าถ้าใครสูบเสียชวิตวองใส่ตายว่องยันแข่งใช่ไหมแล้วก็ตายเลยแล้วก็ไปขึ้นมาอี ก็ไม่้เป็นข่าวระเสริแล้วใช่ไหมมันไ่นีมไม่มใช่เป็นขาวดีที่จะได้เยิยนว่ามีคนได้ใช่ไห ม, ไมถ้าพวกคุณได้เยิยนขาที่บอกว่าโอ้คนนี้เี่ชีวิตไปแล้วเป็ น, ปนขาดีไหมดีเลยแต่ มันสิ่งที่ทำให้ความประเสริฐเป็นความประเสริฐจริงๆคือว่าไปสูงขึ้นมาแา่ความเปลี่ยนแปลอนำข้อแรกภารกิจไม่เป็นปความเป็นออขอ ร, รโลกแต่เป็นสิง่งที่ควรนำไปกับไปเออข้อแรก คือว่าพระเยซูคนขึ้นมาจากความตายแล้วอันนี้เป็นการระเสริฐของพระเจ้าถ้าพระเยซูไม่ได้ขึ้นมาจากความตายไม่ไม่ไ ม, มีความหมายชีวิตของพระเยซูไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าถ้าพระเยซูไม่คนขึ้นมาจากความตายตามที่พระองค์บอกหมายถึงว่าพระองค์พระเยซูเป็น คนธรรมดาหมายเป้นว่าไตรอิสูรินคนโตโผหมายเส้ว่าไตรอิสูรินคนบ้าอะไรไม่รู้แต่ถ้าเราหงุดหง น, น, นคดครึ่งจกควานใด้ตามที่รพระองค์บอกหมายถึงว่าเขาพูดตรงเขาพูดความจรงิงเขาพูดอย่างยุติธรรมเราเชื่อได้ว่าพเขาพูดอะไร หมายจวารับคเชื่อังพระองค์ครคเชื่อว่าพระอีพระไรหครับคุณยายเนี่ยยายบอกว่าพรองพระอรหันตแล้วอะไรแสงว่าเขาพระอง์เป็นองคพระผู้เป็นเจ้า ในเวลานั้นในในชีวิตของพระเยซูทุกคนทุกคนได้ยินว่าพระองค์พระเยซูผู้ไร้แล้วทำนิฆาอะไรแล้วรัฐบาลอยากอยากฆ่าพระองค์ใช่ไหมแล้วคนเปรีซียากฆ่าพระองค์ด้วยแล้วไม่มีไอ่มนต์สะท i านแน่นอนอยากฆ่าพระเยซูด้วยแลไม่มีใครอยากอยากขิ้ พระองค์พระเยซูขึ้นขึ้นมาจาความตายนอกจากนอกจากคนที่เชื่อไปอยู่แล้วนอกจากคนที่วางใจในในพระองค์แต่ความจริงแล้วที่จริงแล้วพระเยซูขึ้นขึ้นมาจากความตายจริงๆนี่แล้วเมื่ออันนี้เกิดขึ้นมันแสดง ให้ทุกคนเห็นว่าระเยซูเป็นพระองค์จริงๆแต่ ว, ว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่เป็นแค่นนเรื่องราที่เราอ่านในปจัจดีเพราะว่าเราอ่านได้เรื่องเราหลายเรื่องใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกสาวกเห็นแล้วก็ ไมบอกชุบบอกว่าอ้าวพระเยสูขึ้นขึ้นมาจากความใดแล้วแต่ไม่มีใครเห็นเขาใชไม่ไม่จริงเพราะว่าเราเห็นได้ว่ามีเกิน500ห้าร้คนที่คุยกับพระองค์หลังจากพระยยซูขื้นขึ้นมาจากความตาใช่ไหมแล้วก็คุยกับพระองค์เิ่งพระองค์กับตาจีนทุกอย่างเหมือนัน แล้วก็พระเยซูเดิอนอนโลกนี้หลังจากฟึนฟื้นขึน้นมาจากความตายเออดือนสิบประมาณสิสัปดาก็มันมาว่าเ น, เนเรื่องจริงจริงที่เราพูดถึงมัใช่เป็นแค่เรื่องราที่จะ่ืขึ้นในในอดีแต่เป็นจริงจริงเป็น อ, อ, อันที่พระเยซูฟื้นขึ้นเท่าที รังไก่ใช่ไหมเป็นแต่ใชแต่เป็นรังก่แล้วอันนี้จำคัญเพราะว่าถ้าพระเยซูไม่เป็นขึ้นเป็นเป็นตัวจริงหมายถึงว่าเราเมือนกันจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วก็มีตัวจริงเข้าไหมแล้วก็ พวกคนเคยคิดเชิงพวกเสาวไสาว้พวกเสของพระเยซูเอ่อพเาของพระเยซูทอะไรพื่อพระยซูกำลังเดินลงลกนี้แล้วก็กาลังสองนเอ่อพกเอ่พวกเาเป็ น, น, นยงไงบางคก็ดีบางมัก็ช่ยดีแต่สุดมากก็ เป็นเพียงพวกขาของไกร ย, ยิสูแล้วก็หลัจากเอ่อไกร ย, ยูได้หงันแข็งพวกับทาอะไรมีใจใจไหมเออใช่แล้วก็เราเห็นเห็นว่าทําทำอะไรตอที่เขาได้เงินเขาที่บอกว่าไกร ย, ยิสูฟื้นขึ้นมาจากความใดแล้วไปอเ ม, อมริกาเมื่อเมืบอมาว่าอะไร ไม่เชื่อแล้วก็เราเป็นยอ้ยอนย้อนทำอะไรบางที่เราหลังจากไปยิบชูขึ้นมาแล้วไปยิบชูวพงยอ้อนกำลทำอะไรจบแล้วว่าก็ทลับไปแล้วไม่ใช่เป็นว่าไปายิบชูสอน จอนที่จะทําอะไรเพราะว่าพวกเสาโอมกลัวพวกสาโอมผี่หวังแล้วเพราะว่าผู้ที่พวกเขาเชื่อเสวิไปแล้วแต่วพวกเขาไ ม, ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเมื่อไบรตยสูบอกพวกเขาว่าเสียชีวิตแล้ ว, วก็จะขึ้นมาใหม่อีกเซาหลังจากเซาหวานจะขึ้นมาใหม่แต่พวกเขาไม่เข้าใจ เ, ใเพราะว่าไบรต์ เราบอกวกเขาแต่พวกเขายัางไม่เข้าใจเรองราใช่ไหมฟังฟังเพราะว่าเราเราได้ยิ่งมากเราพูดได้แต่เราไม่เข้าใจหรือ ว, ว่ า, าไม่เขาก็ไม่รู้แต่คเนเศร้าก็หันใจเราเราพิจาได้ว่าพูดเศา้าทิ้หวังกลับไปงานดื่มเราไม่เชื่อ ว่าแอบตัวไม่ p ยากเห็นไม่อยากเห็นใครไมยากให้คเอื่นเห็นโภสหะแล้วแต่เราเห็นได้ว่าชีวิตของวภสหะเปลีป่ยนแปลงอย่าง น, นมากมายหลังจากไปสู่มาขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลังจากไปสู่ขึ้นมาจากความตายวภสหะทำวภสาะร้อ เห็นได้ว่าเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเชิงๆเรามีพระอง์ที่อยู่ที่ทดำรองอยู่แล้ ว, วเรื่องสาวแล้วก็พวกับธรรมราลางกัรจากเอ่อพระยุทธเจ้าจะทได้แล้วความเร่งเปล่งของชีวิตของพวกเขาพุดถึงความจริงของ มไม่มีเหตุไม่มีเหตุอารณ์ที่หนึ่งที่จะอธิบายว่าชีวิตของพวกสาเป็นยังไงหลังจากนั้นนอกจากว่าภูเ่าขึ้นไรอีสูรจริงๆหลังจากไรอีสูรขึ้นขึ้นมาจากความตายใช่ไหมแล้วก็ภูเขายหญ่ตอนแรกตัวเราก็ดูว่าทุกอย่างดูวทุกอย่างเรา ่ไม่อยากให้ใคลแล้วไปที่เดิมแล้วก็เขียนไปอีกแล้วแล้วก็ไปพ ย, ยายามที่ดไีไปบอกชั่วโลกแล้วแล้วก็เสียชีวิตเพื่อจะลูกแบบนี้ที่จะทําแบบนี้ที่จะเป็นพ ย, ยายามที่ดีให้พวกเราได้เห็นว่าในสูนสืน่ออาจจะฟังได้จริงๆ อันนี้สำคัญทำไมสำคัญที่พระเยซูคุณก็จะเข้าใจทำไมทที่สองที่ใครที่มีกระดาษไห ม, น, ไห ม, มนี่นนะี่เราะอหานเยอมากเย้เอ๊ะโอเคสอง ข้อหนึ่งเขาว่าพระเยซูมือนขึ้นมาจากความตายสองิสเตียจ น, น, นจ ะ, น ข, ข, ข, ะนขึ้นมาจากความตายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราว่าพระเยซูมีชีวิตแล้วก็มาขึ้นมาใหม่เราวขาดหวังเหมือนกัน สำหรับชีวิตของเราถ้าเราเชื่อในพระเยซูแล้วพรเนนะเยซูไม่มีอำนาจที่จะขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใช่ว่าพระเยซูไม่มีอำนาจที่จะช่วยเราขึ้นมาใหม่เหมือกันเาใจไหตอนนี้ผมจนชีบไปที่ โอเคประมปีไปที่หนึ่งรบที่ส้านึที่ส้า ตัที่สิบห้าถึงยี่สิบต่อหนึ่งองกา ีแต่คนที่รักพระเจ้าตื่นตัวทุกตื่นแก่คนทั้งหลายที่ประโคมสองดีตามเราประโคมของประองค์คงคืได้ใใอีกกรีใช่ไหมเป็นข้อดีใช่ไหมเราชอบกรนีเพราะว่ามีความจริงที่เป็นสุดยอดเลยเราเชื่อได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทองเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใด เจอเจอเกินพองดีเพราะว่าพระองค์กำงเป็นทุกอย่างเราอย่างน้าที่จะเตรียมทุกอย่างในชีวิตของเราอบ อันน sure. uh, ี้มนเป็นอีกคที่สุดเองแล้วก็ต่ออืมทำ้ที่ฝั่งไราีความย่งยึ่งไม่น้าสามแหน้าสี่เป็นองามหน้าสามหน้าสาม ขึ้นลย Mom and Dad. <laughs> ก็ยี่สว่าเราว่าแล้วก็อธิบายต่าโอ้ยวอย่างดูสองปีนีจะเข้าใจว่าความร้อนของเรามันชั่วยังไงมันมันขึ้อยู่กับอะไรจอมีพื้นฐานอะไรโอเคปิดปิดอ่านก่อนเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ ขอ28จำได้ใช่ไหมเวามขอ28เป็นความจริงเพราะว่าทุกคนที่ระอเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ส่งเลือกมาแล้วพระองค์ส่งกาหนดไว้ internet download โอเคโอเคเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วประองค์ทรงกโหนดไว้ก่อนให้เป็นทางประชาชนใช้เองระผู้เปาของเรา ตัวประกอบนั้นจะได้เีนขออีสิบสองสามสิบและพันดาวหุที่ประมงใช่ก็เจาอยัด สวัสดีตอนนี้อีกครับเนี่ยโอเคเอาไปเออไปโอเคโอเคต่อไปโอเ ค, อ, เ ค, อ, เ ค, อ, เคอันแรกคำว่าทุกคนที่พระองค์ได้ส่งเลือดวายแล้วแต่ น, นี้เป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นพระองค์ ทรงเลือกไว้ผู้คริสเตียนโอเคแล้วก็สองต่อไปทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระประสงค์แห่งพระบุตรได้ทรงเลือกไว้แล้วแล้วก็ 2, สองทรงกำหนดไว้แล้วก็3าต่อไปทรงเรียกทสาม ออต้องเรียนมาด้วยโอเคสามสี่แล้วก็พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็ถ้าประองค์สงให้มีรักศรีโอเคโอเคอีกครั้งนึงอย่าอย่าอยาเขียนว่า ทุกย่างมันต่อการทุกอย่างมันมันเป็นที่พระองค์ทรงถามซึ็งเป็นที่พระองค์ทรงทา ง, งทางการพุทธเสียนเพราะว่ามันลำดับมันสำคัญแล้วก็เราต้องสังเกตว่าทุกข้อในห้อง้าข่อนี้มันมาคร้อมกันมาร่วมกันมัน เิดต okay. okay. right. <'re> ่อติดการช่วยกันช่วยกันโอเคต่อไปเออันแรกอยะกนหนึ่งส่งเลือกไว้สองกำหนดไว้สามส่งรีบมาสส่งให้คุณคนดูชอบทำแล้วก็ห้า ศักสีศักษีพูดศักษีกกกโอเคแล้วก็จบทุกอย่างมันชื่อ อ, อนกันใช่ไแล้วก็ต่อไปอยากสักเกตว่าเป็นทุกคนทุกคนที่พระองค์ได้ท่งเลือกไว้ทุกคน ผู้ที่พระองค์ได้ส่งคำลงไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาแล้วก็ต่อไปและผูที่พระองค์ทรงรีบมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมต่อไปและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงให้เป็นให้มีศักดิ์ศรี ใช่๋ยมะำลังเขาใจอยู่ไหมใหญ่ใหญ่ไอ้สุตส่น้นตงพอนี้โอ okay, เคกลไปโอ okay. เคอยากเห็นว่าทั้งหมดมามันชุมตอาา่อกันไม่ใช่เป็นเอ่อสำหรับบางโทก็ส่งเรือไวแล้วถูกสูวัว ออกมาเลยบ้านของถูกเลือกไว้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่ถูกส่งเลือกไว้แล้วแต่คนนี้แค่ส่งกำลังโจมตีดูกสองกำลัดไว้หรืไม่ใช่โอเคโอเค <c oughs> แต่เห็นไหมใช่หรือ น, นั้นแต่ทุกคนที่พระองค์ได้ส่งเลือกไปแล้วพระองค์ส่งดำลงไปและประรดาผู้ที่นั้นพระองค์ส่งเรียกมาต่อไปและไม่ใช่แค่สองงามพอนี้แต่และผู้ที่นั้น พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ส่งให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ส่งให้มีศักดีใช่ไหมเราเห็นได้ทุกอย่างมามาพร้องกันมาร่วมกันไปทัดออกเป็นข้อไม่ได้มันทั้งหมดนี้มันสิ่งที่พระองค์งทรงทามในชีวิตของเรา สำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนเราเราเข้าใจได้ว่าทั้งหมดนี้พระองค์ทำทรงทํ า, ทาให้ชีวิตเราแล้วอันนี้มันสําคัญเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นคำสัญญายของพระองค์แต่สําหรับเรื่องนี้เราพูดถึงวันอีเตอร์แล้วเอ่อข้อห้า เอ็กก็ห้าเป็นห้าศักดิ์ศรีใช่บางคนเรียนสองจัีห้าห้าเออถือว่าสรงไพเรื่อมีศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีมันไปไม่ได้ก็ห้าเป็นเราจะมีศักดิ์ศรีอะไร ไม่เช่นกมัน ถ, ถึงในอนาคตว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเข้าไปสู่สมายแล้วก็อยู่ด้วยกันกับเรองค์แล้วในองทรพสี่สี่ขอนี้เราเข้าไจได้แล้วเพราะว่ามันเขึ้นไาแล้วเราเราอันหนึ่งกับ2 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานมาแล้ว่อนที่โลกนี้เกิดขึ้นถูกส่างในตองข้อนี้เราแท่เชื่อว่าพระองค์ผู้่เดีครับพระองค์ส่งเลือกไว้ครูคริสเตียนแล้วก็ส่งกำโน้ไว้ว่าเราจะเป็นอะไรแต่ตอนที่สเป็น เมื่อเราเป็นสิ่งแรกที่เราได้เงินก็ได้เงินส่งเรียกของพระองค์ิ่ที่พระองค์อั e ที่พระองค์เรียกเราให้เข้ามาเชื่อในพระจูแล้วก็ออกอที่สี่ เ, เมื่อพระองค์สให้เป็นผู้ชอบธรร เราเชื่อในพระเยซูเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูพระองค์ทรงทําให้เราเป็นผู้ชอบธรรมทำไมแล้วมันแยกกันไม่ได้มันหม า, ม า, าร่วมกันกทุกอย่างมันต่อกันรอกันก็เราแน่ใจว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูเราเป็นผู้ชอบธรรมแน่นอน แต่พถ้าที่เราอันนี้ดีเพราะว่าเราเห็นไม่ได้ที่นี่แล้วเราเห็นไม่ได้ในในอานังโธใช่ไหมครับอัน น, อ น, นี้ดีแต่คังสัญญาของพระองค์คือว่าเราจะมีสักศรีด้วยแล้วเราเห็นทังหมดนี้เกิดขึ้มนมาแล้ว ไมายถ่ว่าเราแน่ใจได้ว่าพระองค์จะสรงให้ลูกเต็มเกียรมีสักสีด้วยแล้วนี้เป็นเป็นเรื่องความเชื่อแบบว่นะนี้อีกเท่าไหร่ เออเส็ไปอ่านโรโมที่แปดข้อที่ 9, สเก้าส่วนช่วหลังที่วอกว่าพระองค์เออก่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนให้เป็นจาราพระสยา เป่นพระบุษของพระองค์เพื่อกระบุนนั้นจะได้เป็นผู้อวยพรมการพระสงฆ์ตามหที่น้องจำได้ว่ากต่ปีนีว่าถ้าประเยซุไม่ได้คืนขึ้นมาจากความตายหมายถึงว่าเราจะพวคริสเตียไม่มีความหวายที่จะฟืนขึ้นมา นนแต่ถ้าแต่ที่นี่มันรอว่าพระเยซูเป็นผู้แรกที่ลุงขึ้นมาจากความตายที่จะแสดงให้เห็นให้ทุกคนเห็นว่าพระเยซูเป็นพระองค์จริงจริงควมียบหน้าเหนือความใจสิ่งที่พระองค์พูดมันเป็นความจริง แล้วความสัญญาของพระเยซูเราเชื่อได้แล้วเราแน่ใจได้ว่าเราพค้ชเอสเกียคุณทอจะตืขึ้นมาตามพระเยซูอันนี้เป็นแต่พงที่มอนิเตอร์แล้วก็การจกิขึ้นมาจากความใจของพระเยซูสันสำคัญมาก แล้ว เ, เรื่องนี้ทำให้ศาสนาเิธิแตกต่างจากศาสนา อ, อื่นๆเพราะว่าเรามีพระองค์ทีทไ่ไม่ใช้แค่ตายไม่ใช้แค่เียชีวิตแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดอะไรไปแต่ไดตามที่าองบอกแล้วก็ถึงที่มันมาตามที่ะองบอกด้วย โอสามเอสเทียนมีความหวางอันยิ่งใหญ่จบไหมไม่มีใครจบความหวานความหวมเกินวะปวดสนทั้งหลายเลเขาแตไละ แต่ความหวังของเตจิลทุกนอนเรามีความหวานอต่ยินนญญ่งในญ่แต่ว่าถ้าข้อนี้เป็นจริงมันหมายถึงอะไรำหับเราถ้าเราแน่ใจได้ว่าสีสัดองอนี้ทอนี้เออสิแก้วกับสาิอันนั้นเป็นพื้นฐานของของี่สที่บอกว่า บอกว่าเรารู้ว่าเ <c oughs> ห่นการทุกอย่างรวมการตอโคนดีแก่คนที่รักพระองค์คือแก่คนรัแกค่แกคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงดีตามกับพระองค์ของเราเนี่ย <c oughs> แก่อไป <c oughs> เรารู้อันนี้ เพราะว่าสองข้อนี้เห็นไหมเราแน่ใจได้ครั้งนี้หมายถึงว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมงการต่อของดีด้วยอเ่อันนี้เป็นความหวางของคริสเตียนอันนี้ใหญ่ เราไม่ต้องกลัวแร่ว่าเช่นเดียวกับเราแน่ใจพ้อ29กับ30มเราไว้ใจแล้วก็แน่ใจได้พอ28ด้วยที่บอกว่าทุอยางในชีวิตของเราทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นสิ่งที่พระองค์กำลังาำในชีวิตของเราพระองค์ควบคุมทุกจังนาชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือว่าสิ่งไรไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าเราเอ่อคงเจ็บอุวไว ห, หรือว่าเอ่อเอ่อความกลัวความใจความโหยเราไม่ต้องรู้อะไรเลยเพราะว่าเราแน่นใจได้ว่าพระองค์างเราเราพระองค์ ทำงานทํ ง, ำงาำอะไรในชีวิตของเราที่จะเป็นของดีเป็นคำสัญญาอันยิ่ยงใหญ่ของตัเองต้องรู้ว่าองคพระองค์ทุกทุกอย่างเห็ุการชูอย่างเรวม ก, ก่อของดีและพระเจ้าทรงอยู่ไายเราในมือขอ ก็เรามีความหวังในสิ่งเสนานการได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าพระ อ, องค์ทรงทําอะไรไม่ใช่คือยุ่งกว่าเราเป็นคนแบบไหนเพราเราทําอะไรถูก เ, เราทําอะไรดีรเราทําอะไรไม่ดีไม่ใช่เราแน่ใจได้ว่าเราและองคุกที่เี่ยมีความหวัง เพราะว่าพระองค์กาลังทาอะไรอยู่แล้วก็ี่ข้อหนึ่งทำได้ปวดเศร้าไหมนัม่นจะไปสู่ชีแบบอะรก็ูว่าแล้ ว, ลวลก็ชีวิตขอ ง, พ, งพวกเขาเปลี่ยนไปยังไงนบ้างที่จะเดินาทไดีเพราะเขาชีวิตของพงวกเขาเปลียนแบบนั้นทำไม ว่าพวกเขามีความแน่ใจว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูผู้ใดแล้วก็ความจริงคืออะไรแล้วก็ใลาเป็นพ ย, ยานที่ดีเพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่าเขาตึงขึ้นมาจากความใจแล้วและพวกเขาเข้าใจว่าเร า, เ า, า, า, า, า, า, าเกำลังซองอยู่ผู้อื่นผู้ใดอยู่ นี่เป็นในกล์ที่เราควรจะเดินพยายด้วยเพราะว่าเราแน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงรีบผู้อื่นที่ยางไม่ได้เป็นเบสตแต่พระองค์ทรงรีานี่เนที่คงพรภารยาจะรับรูんん้เราย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเราแน่ใจได้ว่าพระองค์กาลังกาลังรี คนที่จะเชื่อในพระเซูเราไม่ต้องคิดไม่ต้องสง้ายเพราะว่ามันไม่ไมขึ้นแบบเราเราไปเปิดตัวเรื่นี้หรือเลเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพระองค์กำนังกระติกันผู้อนที่จะมาเชื่อในพระเยซ แล้เช่นเดียวกันเราเชื่อดจผู้อย่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคนอรอรบคลุมกคนเราไว้ใจได้เรามีความหวังยิ่งนะครอบคลุมครับรรพรับความจริงของครอบ ในปฏิกิริยาที่ประองค์ให้เราตอใแล้วก็พระองค์ช่วยราไวยจในความจริงของตนแล้วก็พระอ ง, งค์ช่วยนิยมคนนี้ที่จะใช้ มันจะไม่เกีนถึงอุ้สอนแล้วภาษาเองก็ไม่สนใจแต่พอของวยบทรีนที่จะเข้าใจแล้วก็ไว้ใจ